เออนั่งตรงนี้ก็ถนัดดีนะไรพิงเชื่อไมอาศัยฝาร่างทรงตัวไม่ค่อยอยู่เราเดินทางไกลน ะ, ะข้ามวัตตาสงสารจิตเป็นนายกายเป็นเรือ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 หนักมากคือเค่องหลงความโกรธความทุกข์บิดอกการเิดเลือก็คือมีสติทุกครั้งที่มันหนักพระพิช้าวสอนจากนี้อิกธิูทั้งหลายเธอจงบิดเรือของเธอให้มันเบากิเลสกรรมทั้งหลายจะบรรทุกไป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 กายก็เป็นเราความคิดก็เป็นเราสุขก็เป็นเราทุกข์ก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราเป็นตัวเป็นตอนอยู่ในความคิดความรูปรสหญินเสียงอันรีกว่าอุปทายรูปอันรูปคือเออรูปอันละอุปทายรูปมหาพุธรูปมันก็เป็นที่อาศัยทให้ใช้ได้ นีกายก็มาก็ดูดรู้มีใจก็รู้ใช่ยอย่างนี้โดยใช้ได้อย่าให้มันใช้เราถ้ากายมันใช้เราเราก็หนักถ้าใจมันใช้เราเราก็หนักเราจึงบิดเท่ามันนี้ออกโดยมีสติทุกครังเห็นกายใน อยูเป็นประจำเหมือนเจ้าของเรือถ้าอะไรมันเกิดจากกายขึ้นมาก็ให้เห็นอย่างเข้าไปเป็นที่ว่าเรือไม่ลวถ้าเป็นก็เรือลวถ้าเป็นโุขก็เรือล่วแล้วถ้าเป็นทุกข์ก็เรือล้วแล้ว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 สังขารร่างกายนี้ถ้าหมดไปแล้วก็เหมือนท่อดไม้ท่อนพืน้นที่เขาทิ้งบนแผ็นดินใช่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่า น, นนี้ยังใช้ได้อยู่เกี่ยวอยู่ถ้ามันลงรูปใช้ได้แล้วถ้ามันทุกขก็รู้ใช้ได้แล้วทามาสุข ก, ก็รู้ใช้ได้แล้ว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 ความทุกข์เป็นขั้นสุดท้ายความโกรธเป็งขั้สุดท้ายอะไรเป็นขั้นสุดท้ายมีสติแล้วได้อยู่ขึ้นฟังแห้งทรกเจ้าเรียกอยู่เสมอนน้นฟังโง้นจมเลยถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำขึ้นมาขึ้นมาเนี่ย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 ต้องฝึกตนสอ น, สนตนทำไมสอนนักก็ไม่ไปเสดจมันเร็วกว่าสัตว์ด้วยซ้ำไปมันมีนรกด้วยนะมนุษย์ในคนเรานะมันมีเปรตมีสัลเกยมีสัตว์ดีรฉ า, านด้วยถ้าไม่หัดนะถ้าเราหัดมัน ก, ก็จริงจะพ้บบนไปจากเล่นนี้ไปสู่มรรคผลนิพพานแห้งจืดหรือศูน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 อะไรที่มันเกิดจากกายจากใจมันเป็นอาการธรรมชาติต้องมีความเจ่เท่าเป็นธรรมดาต้องมีความเจ็บไข่เป็นธรรมดาต้อมีความตายเป็นธรรมดาไม่ใช่เราความแก่ความเจ็บ ค, ความตายไม่ใช่เรามันเป็นธรรมดาของลูก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 ในยุง่งเอาเวลาถึงไดดูออกมาเพราะอาน่ากะเป็นของกินมันก็มีประโยชน์อันความหลงความโกรธความโลภความทุกความรละความชังมันไม่ค่อยมีประโยชน์มีแต่ไม่ทษถ้าเราไม่ถ้าเราทำสิ่งนี้ให้หมดไปก็เป็นประโยชน์มีคุณมีค่าต่อตัวเองและคนอื่นสังคมอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นดีไปหมด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 เราจังไม่จนหรอกเรื่องนี้อย่าไปมองแับแคบอย่าไปทุกคนเดียวอย่าไปหลงคนเดียวอย่ไปโกรธคนเดียวบอ ก, บอกเราด้วยเป็นนดาก็งงให้เสียใจอยู่คนเดียวทำไมไม่ต้องทำงานก็ได้มาช่วยกันอย่างนี้มาช่วยกันอย่างนี้เราคนหลงทางก็รอบอกให้คนรู้จักทาง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 แล้วก็มีรูปมีนามรูปมันก็มีรูปท ำ, ม, ท ำ, ม, ทำมันก็ทำนามทำมก็ทำทำดีทำชั่วรูปทำนามทำเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนกันหมดรูปทุกนามทุกเหมือนกันหมดหายใจเข้าหายใจออกก็แช่ทุกข์เหมือนกัน ทิพตาหายใจขึ้นน้ําลายยืนเดินนั่งนอนกินข้าวขับถา่ า, ายอ้วกไพลหลบภัยเหมือนกันโรคทับนรร้ำทำโรคทำน้ำทำอันหนึ่งคือมันทําชั่วมันทำรรดีอาม ร, รมณ์ทำน้ำทำอันหน่งคือมันธรรมชาติเหมือนกันหมดโรคโรคน้ำ โ, โ, โลกก็ไม่โรกเหมือนกัน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 ทำได้ดีนักเขียนนักก่อสร้างขีดไปไ ป, ไปเดียวเป็นรูปขึ้นมาแล้วตามแป้บเดียวเป็นรลูปล่างขึ้นมามองทะลุทะลวงได้ออกปาจากสติปัญญาแล้วชีวิตของเราบางคนจะเป็นนั้นว่าปะิญญายาตะปะิญญากำหนดรูปโดยการรูปง่ายที่จะรูป รู้แล้วตีลขหน้าปริยาแฉกแฉกออกอะไรที่มันเป็นอะไรแฉกออกมาใช่ตัวเช่ตนปังหาหน้าปริยาทำให้สิ่งนั้นหมดไปได้ถึงกระปัตนปฏิตเยปิไปจากกุฏธปติยาดังอุทิปติชาอุทิปติอโรโข้อปติญานเกิดตรงนั้น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 เต็พผู้เจ้าเคารพพระธรรมพู้เจ้าทุกองคเคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้วได้เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้จะเป็นไปข้างหน้าเราจึงต้องอย่าจนาพวกเราพวกเราขอเป็นบิตเป็นเพื่อนกันพออยู่กันได้ก็อยู่ไปชวนกันมาก็ดีอ่า <c oughs> <c oughs> หรือว่ามาได้ทุกโอกาส นี่ก็มีเสนาสะนะสัพยะพออยู่กันได้อาหารสัพยะพอได้อยู่ได้กินอุคคนสัพยะก็พอมีเป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่เดียวได้เจ็บให้ได้ป่ยยว ย, วยก็ช่วยกันดูแลกันไม่ทอดไม่ทิ้งทั้งมาสัพยะก็มาสัมผัส ด, ดูว่าเราสอนหลัานี้เราขี่อย่างนี้นั่นหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลง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 ยมเคยใส่บาทรนาะยมเคยทำบนนะุญเนาเคยรักศีลนาะเคยเห็นพระนะพระเดินมายอมใส่บาทเคยทำแล้วนะนะเรียกยกมือขึ้นมาไว้ตอนหน่อยอขึ้นมาไว้มองนะเราเห็นไนดะ้เออนี่หลวงพ่อมาถึงท่านแล้วหลวงพ่อมาเยี่ยมเรียกร้ อ, องตะคกนเนาะพรนก็ไม่ไหว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 เวทนาก็เป็นใหญ่เคยว่าไหมเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่จัตุปกรณ์ตัวตนเราเขาว่าแต่ปากใจ<ค>ทําไ ม, ไมเป็นไม่เห็นยิงบอกให้ทําเนี่ย เ, เห็นมันสุ ข, สขเห็นมันทุกข์กไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์กนะนะทำไว้เดี๋ยวนี้วันนี้ดีก ว, ว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้เวลามันหลงเห็นมันหลงหัวโลกคงหลงได้ถ้าเห็นตา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 แล้วก็พูดได้ฟังทุกวั น, วนแล้วก็ชวนกันทาเจริญสติเอาตัวใครตัวบันช่างกันไม่ได้ให้เห็นมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงน่ะ น, นะถูกต้องที่สุดหรออ้าสมควรเจอเวลาพระพ้อกัน